ตรงนี้เราก็มาเกินครึ่งทางแล้วนะใครที่เดินมาตั้งแต่วันแรกนะแล้วก็เดินทุกวันถึงตรงนี้ก็เดินมาแล้วนะไม่น้อยกว่าแสนห้าหมืนเก้าหกสิกว่ากิโลเลยนะถ้าเดินมันก็แสนห้าเป็นอย่างน้อยนะถ้าคนที่เดินเกนะ้าสันกวถึงแสนแปดเด็กๆนะี่แสนแปดแล้วก็ได้ หลายคนคงไม่คิดนะว่าโอเราจะเดินได้มากขนาดนี้นะเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวมันก็เหมือนกับน้ำที่ระยกล่ะนะหยดเล็กๆหยดน้อยๆ น, นะถ้าหยดไม่หยดุดทุกวินาทีทุกนาทีก็สามารถจะรวมกันเป็นลำธารได้กับลำธารก็กลายเป็นแม่น้ำได้ความดีหรือความเพีเย ในเพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าทำํำบ่อยๆทาไม่หยุดมันก็จะขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีปริมาณไม่น้อยทีเดียวตอนนี้เราก็เดินลงมาจากเขาแล้วนะสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดจากสภาพที่เป็นป่ามีเขาตอนนี้ก็กลายเป็นอที่ราบ เมื่อคือ น, นี่เรายังนอนอยู่ในปา่าแต่ตอนนี้มาอยู่กลางทุ่งนาแล้วพรุ่นี้บรรยากาศก็จะแตกต่างยี่กว่านี้แต่สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงลยังไม่แตกต่างก็คือว่ารสชาติของธรรมญาตตรานะร้อนเหนื่อยเมื่อยปวดนะนะยังเป็นรสชาติของธรรมญาตาที่ สัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกนะจนถึงวันนี้แล้วก็จะต้องเจอนะวันพรุ่งนี้มารือนี้สี่อย่างนี้เนี่นะเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะเมื่อเราเรื่องเดินขบวนธรรมยาตราอากาศร้อนนะเดินไปก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกเมื่อยแล้วก็ตามไม่ได้ความปวด เแต่ว่าบางคนก็อาจจะปรับตัวกับความรู้สึกแบบนี้ได้ดีกว่าหลังจากที่เดินมาหลายวันอย่างที่พูดตั้งแต่วันแรกว่าช่วงสามวันแรกเนี่ยจะรู้สึกทุกข์มากตนเกิดความทอ้อแต่พอเข้าวันที่สี่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ทนได้บางคนก็ถือว่าสบายมากนะ ร้อนก็ไม่เปลี่ยนนะยังเจอร้อนอยู่เหนื่อยก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมเมื่อยนะก็ยังเมื่อยอยู่แล้วก็อาจจะปวดอาจจะปวดมากขึ้นนะแต่ว่าความสามารถในการทนได้ความสามารถในการจัดการกับมันได้หรืออยู่กับมันได้เนี่ยจะดีขึ้นแต่ถ้ามาวันแรกเนะี่ยอ่าก็อาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยได้นะเป็นเรื่องธรรมดานะคนที่มา เดินวันนี้เป็นวันแรกอาว่ายังรู้สึกว่ามันยังยังทุกยังลําบากอยู่อันนี้เป็นธรรมดาให้เวลากับตัวเองสักหน่อยนะพอมาถึงวันที่สี่แล้วเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นความทุกข์กายยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าความทุกข์ใจนะ่ะจะแปรเปลี่ยนไปเพราะว่าความสามารถในการรับมือกนะับความทุกความเจ็บปวดมันดีขึ้น ถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยขณะที่เราเดินนะเราจะรู้สึกมุดติดลำคาญนะกับไอ้ความรู้สึกสี่อย่างเนี้ยร้อนเหนื่อยเมื่อยปวดบางทีก็อยากจะให้มันหายไปอยากให้มันหายไปจากชีวิตของเราในระหว่างที่เดินทํามยานตราทาไงนาถึงจะเดินได้สบายไม่ร้อนนะไม่เหนื่อ ย, ไ ม, อยไม่เมื่อยไม่ปวด สมมติว่าเราจะเราสามารถทําได้อย่างนั้นจริงนะบรรดาที่มันหายไปเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องเจอมันอีกในชีวิตจริงของเราออกจากธรรมยถาตาไปเราก็ต้องเจอมันไม่ว่าที่บ้านในที่ทํางานหรือว่าที่อื่นไม่ชา้าก็เร็วเพราะมันเป็นส่วนของชีวิตไม่มีทางที่จะหนีมันพ้นที่จริงแล้วเนี่ย เราน่าจะขอบคุณนะที่ยังเราที่เรายังรู้สึกร้อนเหนื่อยเมือ่อยปวดอยู่ขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายของเรานะที่มันยังมีความรู้สึกแบบนี้เพราะถ้าไม่มีเมื่อไหร่นี่เดือดร้อนนะไอ้ความร้อนเหนื่อยเมือ่อยปวดรวมถึงหนาวหิวด้วยนี่ก็เราโชคดีนะอหนาวกับหิวนี่ไม่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ เจอแค่สี่อย่างแรกเราควจะขอบคุณตัวเองที่เรายัางมีความรู้สึกอย่างที่ว่านี้เพราะหากว่าเราไม่มีความรู้สึกร้อนเหนื่อยเมือ่อปวดเมื่อไหลเนี่ยมีปัญหาล้วหลายคนนะเคยอยากจะเวลาเจอความปวดความเมือ่อยอยากจให้มันหายไปอยากจะให้เราคิตเราไม่มีความรู้สึกปวดเมือ่อยเลย แต่ว่าลองดูดีๆนะว่าเรายังอยากจะให้ความรู้สึกนี้หายไปหรือเปล่ามันมีคนในโลกนี้นะที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้สึกปวดเลยโดนไม่ว่าจะโดนเข็มทิ่มโดนน้ำร้อนลวกนะโดนไฟโด น, นไม่ปวดนะมีเป็นร้อยนะหรืออาจะมีเป็นพันนะถ้าตัวให้ทั่วถึงรอเจ้าสืโอกเด็กเหล่านี้คนเหล่านี้โชคดี แต่เราแน่ใจหรืปล่าว่าเขาโชคดีจริงๆที่ปากีสถานเนี่ยนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็มีการค้นพบเด็กประมาณหกเจ็ดคนที่ไม่รู้สึกปวดเลยไม่รู้สึกเจ็บเลยที่จริงมีเยอะนะแต่ว่าอ่ที่เขาในกรณีของเด็กปากีสถานเนี่ยนะน่าสนใจไอความรู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยมันเป็นความผิด ป, ปกติทางยีนทำให ประสาการรู้เกี่ยวเรื่องความเจ็บความปวดมันไม่ทํางานแล้วก็เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยนะเนื้อตัวนี่ก็เต็มไม่ได้แผลบางทีเป็นแผลฉักตันด้วยแล้วท่าทั้งหมดเนี่ยนะปากเงี่นะจะมีแผลเยอะแยะไปหมดเลยหล่นทั้งลิ้นก็กุดบางคนในลิ้นกุดถึงหนึ่งในสามนะหายไปเลยนะหนึ่งในสามเพราะอะไรนะ เวลากัดลิ้นเนี่ยนะไม่รู้สึกเจ็บคนเราเวลากินข้าวเนี่ยนะบางทีมันก็ฟันมันก็ไปกัดลิ้นไปกระทบกับลิ้นพอเรารู้สึกเจ็บนี่เราเรียบยั้งเลยนะแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยกัดเข้าไปเต็มที่เลย <wei. S 1> แล้วลิ้นก็เป็นแผลเป็นแผลแล้วเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ระมัดระวังเพราะมัน ไ, ไม่รู้สึกเจ็บเนี่ยพอกินเข้าไปก็ไปกัดลิ้นเทับอีก ไม่รู้สึกเจ็บแผลมก็ไม่หายสักทีมันก็เนา่าบางคนเนี่ยนิ้วก็กรุดนะเพราะว่าเวลาจับอะไรเนี่ยเนะจอของแหลมเนี่ยมันบาดมันบาดมือบาดนิ้วก็ไม่รู้สึกเจ็บก็ยังยังปล่อยให้ของแหลมมันบาดนิ้วหรือแบกของหนักเนี่ยของหนักเนี่ยบางทีมันเมื่อยมันปวด คนเราเนี้าแบบของหนังเนี่ยมันจะปล่อยเพราะว่าความปวดเนี่ยมันมันมันมันกระตุน้นเด็กเหล่านี้เนี่ยก็แบกจนกระทั่งเนี่ยบางทีไม่เรียกว่าข้ออักเสบนะหรือว่าเป็นแผลก็ยังไม่เรามาระวังย่างใช้มาหนึ่งนะจนกระทาั่งมันแย่วิ่น้าซ้ําเนี่ยเวลานอนเนี่ยร่างกายนี้เวลามีมีแผลนี่นะ รูมันก็มากัดมาแทะให้เจ็บนะยังหลับต่อไปว่าเราเคยมานนอนอยู่ดีๆเนี่ยมีหนูมาแท้้เคยตั้มาเคยนะนอนอยู่ที่วัดหนูมาแท้หูพ็ตื่นเลยนะมันแท้นี่เดี๋ยวตื่นทันทีเลยนะนี่ถ้าไม่เจ็บนะยังหลับต่อแล้วมันก็จะแทะไปเรื่อยๆแล้วพอมีแผลนะมันก็มาแท้อีกนะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หนูเดียวนะสัตว์อื่นด้วยมแมลงมันเลงเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้เนี่ยมันจะมันจะมี อ, อวัยวะวิ่นแบ่งนะมือก็แย่เด็กบางคนเนี่ยขี่มาตอรไซน์นะแล้วก็นองเนี่ยนะมันไปทาบกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรไท่อไอเสียร้อนนะร้อนเด็กไม่รู้สึกนะก็ยังปล่อยให้ก็ยังหน้ากว่าท่อไปเสียจนกระทั่งมันส่งกลิ่นไหม ถ้าไม่มีกลิ่นไหม้นะก็ยังไม่รู้นะว่าแผลนมันเบิดกว่าไปแล้วแล้วพอมีแผลเบิกนะก็ไม่รักษานะพอไม่เจ็บเนี่ยขนาดเสร็จยังไงก็ปล่อยมันหนูก็มาเล่นงานผวกเชื้อลงต่างก็มาก็ไม่รึกสุดร้อนหรือเนื้อร้อนใจพวกนี้อายุสั้นนะสุดแล้วเนี่ยอายุสั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะความเจ็บความปวดมี่มีประโยชน์นะมันช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยนะ ห่างาจากอันตรายอันนี้รวมถึงความกลัวด้วยนะความกลัวนี่มันจะไม่ทําให้เจ็บแต่มันกลัวว่าจะมีความเจ็บเกิดขึ้นมันก็ต้องหนีออกจากอันตรายแต่เราพูดถึงความเจ็บก่อนนะวความเจ็บมีประโยชน์เนี่ยมันทํำให้มันคอยกระตุ้นหรือผลักให้เราเนี่ยห น, นีห่างจากสิ่งที่เป็นภยัยอุกคามแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะบางทีมันสามารถจะเป็นตัวผลักให้เราเนี่ยไปเจอสิ่งดีๆก็ได้ ความเจ็บปวดบางครั้งเนี่ยมันมันผลักให้เราเข้าหาสิ่งที่จะช่วยให้ความเจ็บปวดทุดเราแน่นอนนะบางคนเนี่ยเพราะความเจ็บความปวดมันผลักให้เขาหายาเสพติดแต่วาบางคนเนี่ยความเจ็บปวดผลักให้เขาเข้าหาธรรมะและพวกเราคงรู้จักท่านโกเองก้านะท่านโกเองก้าเนี่ยนะท่านเป็นวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อมากนะ เป็นคนที่ทําให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจคําว่าวิปัสนาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแปลแล้วไม่ต้องแปลว่า insight meditation แล้วนะสมัยก่อนต้องแปลนะวิปัสนาภาวนาก็ต้องแปลว่า insight meditation แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเขียนว่าคำวิปัสนาเนี่ยฝรั่งเนี่ยพอจะดาได้หมายถึงอะไรเช่นเดียวกับว่าโยคะโยคานี่ไม่ต้องแปลแล้ววิปัสนาก็ไม่ต้องแปลแล้วมันเป็นภาษาที่ฝรั่งเนี่ยเขาเขารู้ ท่านโกนกาเนี่ยพื้นเพเนี่ยเป็นคนที่อประสบความสําเร็จในชีวิตมากเนะี่ยเป็นคนเกิดในพม่า ก, ก็จริงนะแต่ว่าเชื้อชาติเนี่ยเป็นชาวอินเดียแล้วคนอินเดียหรือเชื้อชาติอินเดียในพม่าเนี่ยเป็นพ่อค้าที่ประสบความสําเร็จมากคล้ายๆกับคนจีนในเมืองไทย่แล้วก็มีเครือข่ายนะที่ช่วยทําให้ประสบความสําเร็จได้เร็วท่านโกนกาเนี่ก็ ตั้งแต่อยู่30ต้นๆเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีเราก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นําของชุมชนชาวอินเดียหรือพ่อตืนพ่อคา้าถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นนายก ส, สภาประธานสภาห อ, อ ก, การค้าอิเล็กทรอนิกเนี่ยนะช่นี้ประสบความสําเร็จนะตั้งแต่อยู่30ต้นๆแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเป็นไมเกรนเป็นไมเกรน รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะรักษาไปไกลถึงยุโรปนะเขามียาแต่ยาเนี่ยมันเจอไปด้วยมอร์ฟีนหายปวดเป็นพักๆแต่ไม่ได้หายขาดแอะที่แย่กว่านั้นคือติดมอร์ฟีนด้วยนะไมเกรนไม่หายถถมติดมอร์ฟีนขึ้อีกนะกว่าจะเริ่มอร์ฟีนได้นี่ก็โอ น, นานทีเดียวถ้าเป็นไมเกรนทํายังไงอะ่ะยาก็พึ่งพาไม่ได้ วันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีอาจารย์สอนวิปัสสนาเป็นคาราวา่าเป็นขราราชารท่านสูงชื่ออูบาขินแมงเกเอง ก, กาในพื้นเพเป็นชาวฮินดูนะแต่ว่าเนื่องจากความปวดเนี่ยไมเกรนก็ไม่รู้จะมีที่พึ่งที่ไหนแนละ้วก็อยากจะก็เลยคิดอยากจะลองทําสมาธิภาวนาดูวิปัสสนาคืออะไรก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าเพราะความ กเนี่ยนะจากใหม่เพลย์ก็ทำให้อ่าไปลองเข้าครอร์สกรรมฐานก็กว่วเกิดความเปลี่ยนแปลงนะก็ไม่จึงหายขาดนะแล้วไปดีขึ้นก็เลยเข้าครอร์สเป็นประจำนะจนกระทั่งอ่าเข้าใจในเรื่องของหลักการทางด้านสมาธิภาวนาเข้าใจพุทธศาสนา แล้วต่ลังอาจารย์ก็ให้มาเป็นผู้ช่วยสอนกรรมฐานเป็นผู้ช่วยสอนอเป็นเป็นผู้ช่วยอาจารย์กรรมฐานและวันหนึ่งแม่ป่วยแม่อยอินเดียท่านก็ต้องเดินทางไปอินเดียอาจารย์ก็เลยเมอบหมายให้ปเป็นอาจารย์กรรมฐานซะเลยที่นั่นแล้วก็เลยเนี่ยเกิดกระบวนการวิปัสสนาขึ้นมาตามแนวทางท่านโกเองต้ามีศูนย์ต้องสองรกว่าแห่งทั่วโลกในเมืองไทยก็เกือบสิบศูนย์ นี่เป็นตัวอย่างนะว่าไอ้ความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดนี่มันก็มีข้อดีนะมันสามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้หลายคนเนี่ยนะจะเป็นเพราะความเจ็บปวดหรือความเจ็บป่วยนะก็ตามเนี่ยโดยเพราะไอ้ความเจ็บปวดหรือความเจ็บป่วยที่การแพทย์สมัยใหม่เนี่ยไม่สามารถจะเยียวยารักษาได้นะ ก็เข้าหาธรรมะเข้าหาสมาธิภาวนาแล้วพวกเราหลายคนนะก็คงจะสนใจเรื่องสมาธิภาวนาเนี่ยก็ก็รา้ความกลัวความเจ็บปวดหรือว่าความเจ็บปว่วยหลายคนเนี่ยได้ยิกิสาว่าธรรมยากาเนี่นะนะมันจะช่วยทําให้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ได้ยินคําขวัญว่ากายป่วยใจไม่ป่วยนะหรือว่าป่วยแต่กายนะใจสงบเย็นเออก็เลยเออก็เลยมาเดินธรรมยถาตราเพราะเพราะว่าไอความเจ็บปวดเนี่ยมันมันผลักนะที่งความเจ็บปวดมันไม่เพียงแต่ผลักให้เราก็หาทําเท่านั้นนะบางทีมันจังเป็นตัวแสดงธรรมให้เราเห็นด้วย มันจะเป็นตัวเปิดเผยความจริงหรือสัจธรรมที่ลุ่มลึกให้กับเรามีพระอาหารหันต์เนี่ยหลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมเนี่ยก็ตอนที่ท่านเนี่ยเจ็บปวดมากพระเจ้าสุโทธทนะนี่ก็เป็นท่านหนึ่งนะที่บั้นปลายเนี่ยเรียกนาเรียกว่าจะเรียกว่านาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต ตอนนันงปวดแต่มีทุกเวทนามากไอ้ทุกเวทนาเนี่ยมันก็สามารถที่จะแสดงทำให้เราเห็นนะว่าไอ้สังขารนี่เป็นทุกข์สังขารนี่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีพระราหันหลายรูปทีเดียวนะที่ความเจ็บป่วยอย่างหนักเนี่ยทำให้ท่านได้เห็นถึงสัจธรรมหรือพระไตลักษณ์ตนบรรลุธรรมได้ บางทีก็ุู้ธรรมแรู้ธรรมได้ถึงเป็นขั้นพระอรหันต์เลยบางท่านนี่ก็เจอความเจ็บป่วยเจอความเจ็บปวดนะไม่ใช่เพาความเจ็บป่วยหรือโรคภัยอย่างเช่นาาา น, นะ น, านางสามอวดีเนี่ยนะโดนไฟครอกนางสามอวัดีนี่ก็เป็นในสีพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนรักมากนามาคันธียาซึ่งเป็นพระเฮสีคนนี้ก็อิจฉาก็เลยหาทางกันแกล้ง สุดท้ายก็ไปหลอกให้นางสามเมดีเนี่ยติดอยู่ในคลังผ้าแล้วก็จุดไฟเผานางสามเมดีก็อยู่ในนั้นเนี่ยร่วมกับบริษัทบริวาร น, นะตามคำพีก็ว่าห้ารอยคนนะแต่ว่าจริงๆก็หมายว่าเยอะนะเยอะนี่ไม่แปลว่าห้าร้อยทวนนะแต่หมายความว่าเยอะนะนางสมเมดีเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก็แผ่เมตตาแล้วก็ให้อภัยนางมคันธียาไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วขณะเดียวกันก็แนะนําให้บริษัทบริวารเนี่ยท่านใช้กับว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็หมายความว่าเอาทุกขเวทนาเอาความเจ็บปวดนี่นะมาเป็นอารมณ์ในการพิจารณาก็เคือพิจารณาความเจ็บปวดนะพิจารณาทุกขเวทนาที่มันบีบพัน นึกภาพแ้คนที่กำลังถูกไฟไหม้เนี่ยมันปวดมากเลยนะแต่ว่านางส า, ารถวั ด, ดีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สติเนี่ยในการที่จะใช้สติเนี่ยเข้ามานะไปดูเวทนาถ้ากูดอย่งางภาษาเราก็คำเขียงคือว่าเห็นนะเห็นเวทนาแต่ไม่เข้าเฟตเป็นเห็นเวทนาเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวด ้ลยเวทนานั่นแหละนั่นมันก็แสดงให้เห็นเลยนะว่าสังขารที่เป็นทุกข์มากไม่น่า ย, ยึดถือก็ปรากฏ ว, ว่านางสามอาวดีก็ไปได้บรรลุธรรมขั้นสูงอุจ้าก็จัดว่าการตายของนางสามาวดีเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าคือเป็นการตายที่ดีตายดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าตายศบสวยนะในทางพุะศาสนาเนี่ยตายดีเนี่ยศพอาจจะไม่สวยนะแต่ว่า จิตเนี่ยนะมารู้ทำขั้นสูงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าไอ้ความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเบื้องต้นนะจนกระทั่งไปถึงการเปิดโอกาสให้เราได้เห็นทำขั้นสูงคือเกิดปัญญาในการที่เข้าใจ ชัดว่าสังขารร่างกายนี่มันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราใช้ชีวิตสะดวกสบายใช้ชีวิตสะดวกสบายนะมีสิ่งปลนเป ล, อ, เปลอมากมายเนี่ยบางทีมันทําให้เราเกิดความหลงเกิดอวิชชาหนักขึ้นว่าชีวิตนี้เป็นสุขร่างกายนี้เป็นสุขซึ่งอันนี้มันเป็นอวิชชาที่ทําให้เกิดการยึดติดมากขึ้น แต่เมื่อก็ตามที่เราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์นะไอ้ความยึดติดมันก็ลดน้อยถอยลงเหมือนกับเราพบว่าสิ่งที่เราถือในมือเนี่ยมันไม่ใช่ทองนะแต่มันเป็นผ่านแตงแดงเนี่ยพอเรารู้เนี่ยเราก็วางเลยนะแต่ถ้าคนเราเนี่ยยังคิดว่าไอ้ที่ถือในมือเนี่ยมันเป็นมันเป็นทองนะก็ยังกรรมเอาไว้เราก็ยังหวงแหน ไม่อยาใครเนี่ยมาแย่งชิงแต่สังขารก็เหมือนกันนะถ้าเราเราสังขารเป็นสุขมากเนี่ยเราก็จะหวงแหนแล้วก็จะยิ่งยึดมากขึ้นแต่พอเรารู้เออมันเป็นทุกข์นะแล้วก็มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตมันก็จะเรียกว่าเลิกนะเลิกยึดแล้วก็คลายก็คือปล่อยวางแต่ไม่ใช่ทําด้วยความรังเกียจ น, นะ ไม่ใช่ทาด้วยความารู้สึกผักใสอันนั้นมันคนละคนละอารมณ์กันคนบาคนเกลียดตัวเองมากนะไม่สวยไม่ประสบความสำเร็จได้คุณค่านะก็เลยทำร้ายตัวเองบางทีก็เป็นชีิตัวเองอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเป็นความรู้สึกที่เกิดกับผู้ที่เห็นว่าสันขานมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่น่ายึดถือ ไอ้ที่พวกเราเนี้ยมันเดินธรรมยาตรานี่นะเอ่ออย่างที่บอกนะ่มันก็มีความทุกข์นะหลายแบบเนี่ยสลับกันนะเกิดขึ้นกับเรานะร้อนเหนื่อยเมื่อยปวดนะลองนะลองมองให้ดีว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะอย่างที่พูดเมื่อชา้า้วว่าเออไอ้ความทุกข์เหล่านี้เนี่ย ประโยชน์อย่างนี้ก็คือมันช่วยเสริมสร้างความเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความทุกให้กับเราได้ในความยากลำบากที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยเราจะมีความอดมันได้มากขึ้นแล้วก็เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวที่เกิดจากกรรสั่งสมแต่ในระวงที่เราเดินเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเวละหลายชั่วโมงเนี่ยนะ ลองดูให้ดีนะว่าเออมันมีประโยชน์ยังไงที่แน่ๆถือว่ามันเป็นตัวกระตุน้นนอกจากมันจะฝึกใจให้เราเข้มแข็งขึ้นมีความอดทนอดกลั้นมากขึ้นแล้วเนี่ยอัตมาช่วยเลยว่ามันจะช่วยกระตุน้นช่วยบีบคั้นให้เราเนี่ยหาคุณทางในการที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ถ้าเราเป็นอิสระ ไม่ได้ทางกายก็คือหนีมันไม่พ้นเราก็ต้องหาทางเป็นอิสระทางใจใช่หลายคนก็จะพบว่าเพียงแค่จิตเนี่ยไม่ดิหลรนไม่ถับใส่นะมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์ลดลงความทุกข์กายจะยังไม่ลดลงนะแต่ว่าความทุกข์ใจมันลดลงอย่างที่พีพูดไปแล้ววันวันก่อนนว่าเพียงแค่ยอมรับนะสิ่งที่เกิดขึ้น ยอมรับโดยไม่ผักสยเนี่ยมันก็ช่วยลดความทุกข์ใจไปได้เยอะและทำให้เราสามารถจะอยู่กับความทุกข์ได้นมีเพื่อนคนหนึ่งนะไปปฏิบัติธรรมอาชีพสำนักนะของอท่านโกวนงก้าสายคนก็เคยไปนะแล้วการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเนี่ยก็มีการนั่งนะแล้วก็นั่งนานด้วย ต้องเป็นชั่วโมงนั่งเป็นวันยิ่งนั่งนายก็ยิ่งปวดปวดทีแรกก็พยายามอดทนแต่ความปวดก็ไม่หายขาก็แข็งเหมือน ก, ก, ก, กระดูกมันจะหลุดรู้สึกทรมานมากทำยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่หายสักทีแล้วก็ยิ่งปวดหนักขึ้นจิตเกิดโทสะเพราะาพยายามผลักไสความโกรธเอะความปวดให้มันหายไปแต่มันไม่หาย ทำยังไงก็ไม่หายนะจนกระทั่งเรียกว่าแทาจปตายให้ได้ใจหนึ่งก็บอกจะตายแล้วเนี่ยนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ถึงจุดหนึ่งมันมีความสุขนึ่งขุดขึ้นมาว่าเออตายก็ตายพอรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะว่าตายก็ตายนะเขก็ใจที่มันดิ้นนะมันหยุดเลยนะใจที่มันดิ้นมันผักสายเนี่ยมันหยุดรู้สึกเบาขึ้นมาเลย ไม่รู้เพื่อนคนนี้ว่านี่มาถึงหรือยังนะเขาว่ามาถึงวันนี้นะมันมาชิมเล่าซะก่อนนะคือความเจ็บความป่วยยังมีอยู่นะแต่พอใจมันเนี่ยมันมันบอกว่าตายก็ตา ย, าตายทีแรก ม, มันกลัวตายไงนะจิต ด, ด้านจิตทีแร่มก็ร่ำร้องโอ้ยทนไม่ไหวแล้วจะตายแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลจะเรียกเป็นของกินเลย ก, ก็ได้ว่า อยไปสู้กับมันเลยพอสู้ไปแล้วเนี่ยหรือว่ายัางยังยังยังทนนั่งอยู่ต่อไปนี่นะมันตายแน่แต่พอดีความัสุขตายก็ตายนะจิตมันหยุดดิ้นเลยมันยอมพอยอมแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าจิตความทุกข์ใจมันหายไปพอความทุกข์ใจมันหายไปโอ้สบายเลย ไอ้ความสบายเนี่ยคงมีส่วนทําให้ความทุกข์กายเนี่ยหรือความปวดมันทุเลาด้วยแต่ถึงแม้มันไม่ทุเลานะอย่าง น, น้อยๆเนี่ยความทุกข์ใจมันก็ลดลงและบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์สำหรับคนในยามที่เจ็บปวดเนี่ยความทุกข์กายเนี่ยมันจะน้อยกว่าความทุกข์ใจทุกครั้งที่มีความปวดเนี่ยมีทุกขเวทนาเนี่ยคนมักจะคิดว่ามันแค่ ปวดกายปวดแขนเมื่อยขาปวดเท้าแต่ที่จริงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ตระหนักนะว่าไอ้ความทุกตัวก้อนใหญ่ที่ซ้อนทับความทุกข์กายเนี่ยคือความทุกข์ใจความทุกข์ใจที่เกิดจากการดิ้นรนผักใสเกิดจากโทสะเกิดจากความอึดอัดขัดเคืองนสารพัดเนี่ย บางทีก็อดตลวนตีโปรตีไยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะบางทีก็ต่อว่าคนนำทางต่อว่าดวงอาทิตย์ต่อว่าไอ้กรวดหินสารพัดเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันรูนแล้วแต่ประดังกระเด ม, มาทำให้เกิดความทุกข์ใจและความทุกข์ใจเนี่ยมันมักจะเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าความทุกข์กายแต่พอความทุกข์ใจมันหายไปนะ เพราะว่ายอมยอมเพอยอมนี่มันหยุดดิ้นแล้วพอหยุดดิ้นปุ๊บความทุกข์ใจหายความทุกข์กายยังมีอยู่แต่ว่าอยู่ในระดับที่พอทนได้แต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีนะพยายามที่จะให้ใจจดจอ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนแล้วเวลาเราปวดเนี่ยนะสังเกตไว่ใจมันจะไปจดจ่ออยู่กับประเด็นที่ปวดยิ่งปวดตรงไหนเนี่ยนะมันยิ่ง จดจอยิ่งเพ่งยิ่งปักตึงตรงนั้นทั้งนั่งที่ใจหนึ่งก็อยากจะผักใส่แต่พอผลักใส่ทีไรใจมันตดจอทุกทีอันนี้เรียกว่าเกิดความยึดติดยิ่งผักใส่ก็ยิ่งยึดติดอันนี้ทําไมจะให้จิตเนี่ยมันหยุดจากการยึดติดหรือว่าไม่ปักตึงนะก็ต้องหาจุดสนใจให้กับจิตแทนกุก็คือหาททำงานให้จิตทํำ เพราะถ้ามันไม่มีงานทามันก็จะไปจดจ่ออยู่ตรงเท้าที่เจ็บขาที่ปวดหลังที่หรือหัวไหล่ที่เมื่อยเนี่ยนอ้ที่เราหาจิตหาจุดหางานให้จิตทำเนี่ยให้จิตมันจดจ่อเนี่ยมันก็ลืมปวดนะไอ้วิธีนี้เราเรียกว่าสมาธิให้จิตมันมีสมาธิอยู่กับการนับก้าวนับไปทีแรกก็นับไปได้แค่ ร้อยสองร้ยก็ลืมแล้วอ่ะก็เลยต้องนับใหม่ต้องเริ่มต้นนับใหม่พอตั้งใจนับเนี่ยนะมันก็มีสมาธิแล้วแต่จุดนั้นเนี่ยก็ทำให้จิตมันลืมปวดหรือไม่ไปรับรู้ความปวดอันนี้ก็เป็นวิธีการที่หลายคนพบว่าเออมันช่วยได้นะแต่ถ้าไม่มีความปวดนะมาบีคันนะเราก็คงจะไม่ไดิ้นลนที่จะมาฝึกจิตแบบนั้น แอมมันได้สัมผัสใหม่บ้าคือถ้าไม่เจ็บไม่ปวดนะเราก็คงจะไม่ริดลนหรือขวนขวายที่จะฝึกจิตแบบนั้นเพราะว่าไปคิดแต่จะหาทางว่าเออเราจะออกจากทางได้อย่างไรนะเราจะไปหาที่ร่มที่สงบคือเราคิดแต่จะหนีวิธีการที่เราใช้อยู่ประจําคือหนีหนีความปวด แต่เราไม่ไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ออกับมันทำไงจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ปวดอนนะียสมาธิก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่จะทำให้เราได้อยู่ออกับความปวดได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ถ้าพอมีสมาธิดีนะไอ้ความปวดกายก็ทุดเรานะเพราะว่าเวลาเรามีสมาธิเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่หลั่งออกมาเรียกว่าสารสื่อประสาทนิวโรทรานสมิเตอร์อย่างเช่น โดพามีนเซโรโทนินนะอะแอนโดฟินพวกนี้ซึ่งมันเขบอกว่มันช่วยลดความปวดได้มันไม่ใช่ว่าอุปทานนะที่ความปวดมันลดลงแต่มันมันลดลงจริงจริงอันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าเราคิดแต่จะหนีนะเช่นปวดนั่งนานๆแล้วเรมเร า, เราปวดเราก็ลุกอย่างนี้เราก็คงจะไม่ได้เรียนรู้ไอการใช้สมาธิเพื่อจะ เดียวยาหรือบรรเทาความปวดหรือว่าถ้าเราไม่ได้เดินธรรมญาตาเราเดินคนเดียวเดินไมปทั้งพักๆร้อนอ่ะเราก็เลิกแล้วแต่ธรรมญาตาเนี่ยคถ้ามันเป็นเงื่อนไขบังคับให้ร้อเนี่ยจะหนีความปวดด้วยวิธีเดิมๆไม่ได้ละเพราะเราก็ต้องฝึกจิตให้ให้สามารถจะอยู่กับมันได้และสมาธิหรือการหาสิ่งจดจ่อให้กับใจเนี่ยเป็น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้หลายคนก็พบว่าเออถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดนี่เราก็คงจะไม่เห็นนะคุณค่าของสมาธิภาวนานมีพระราชคณะชัะ้นผู้ใหญ่นะตอนหลังเนี่ยท่านเป็นถึงกับชั้นสมเด็จแล้วก็เป็นสังฆนา ย, ยกองค์แรกของประเทศไทย เมืองไทยคือมีสังคนายยนะสมัยที่เรามีพราบสองกีสองสี่แปดสี่สมเด็จพระมหาพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโซตอนที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะบนทนนครราศีมาอูบลเนี่ยท่านมีความรู้สึกไม่ดีกับพระกรรมฐานพระป่าสายอาจาร์มั่นสายหลงปู่เสา เวลาได้ขาว่ามีพระสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่สาวมาจาริกอยู่ในเขตปกครองท่านท่านจาร์สั่งให้เจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยขับไล่เพราะว่าท่านเห็นว่าพระเหล่านี้เนี่ยเป็นพระที่ไม่ทําตามระเบียบคณะสงฆ์ก็คือไม่เรียนหนังสือท่านให้ความสําคัญของการเรี ย, รยนพระธรรมมากพระ ป่าเนี่ยไม่ชอบเรียนหนังสือไม่อยู่ประจำวัดนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมีนโยบายพรนเนี่ยอยู่เป็นที่เป็นทางนะแต่ว่าพระสายหลวงปู่มั่นเนี่ยไม่ทำเดินจาริกเข้าไปในป่าแล้วก็พายาิโยมเข้าไปทุตงถ้ารู้สึกไม่ดีกับหลวงปู่มัน่นไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกกรรมฐานจะเข้าใจพุทธศาสนาต้องอ่านหนังสือสิ แต่ว่าต่อมาท่านป่วยนะป่วยเนี่ยหมอรักษาก็ไม่หายจนระทั่งไปรู้จักกับรารจันฟันไรจันฟันเนี่ยเราก็ทราบนะท่านเป็นลูกศิลป์หลวงปู่ ม, มั่นรารจันฟันนี่รู้เรื่องสมุนไพรแล้วก็เก่งเรื่องสมาธิภาวนาเราก็ว่าสามารถจะช่วยให้สมเด็จนะท่านนี้เนี่ยนะ หายจากความเจ็บป่วยได้อัศจรรย์มากเลยท่านนึงกับพูดขึ้นมาวันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิภาวนาเนี่ยจะมีคุณค่าถึางเพียงนี้มันพูดนะเดือนพระนะพราฉันผู้ใหญ่ด้วยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิภาวนาจะมีคุณค่าถึางเพียงนี้คือพระในรุ่นสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านมีการปฏิรูป นะตั้งแต่สมัยปารที่สี่แล้วเราก็มาให้ความสําคัญเรื่องการอ่านตําราเรื่องศึกษาปรัชิธรรมแล้วก็ทิ้งเรื่องสมาธิภาวนาตอนหลังก็ได้ศรัทธาสมเด็จท่านนี้ก็เลยศรัทธาหลวงปู่มัน่นพอเจอหลวงปู่มัม่นก็เคยก็เคยถามว่าเนี่ยหลวงปู่มัม่นเนี่ยนะซึ่งเป็นคนรู้เดียวกันนะพระอาจารย์มั่นเธอยาคูมัน่นยาคูมั่นเนี่ยไม่เรียนปรัชิตธรรมเลยนะไม่ปริไม่เรียนปริพระประะิธรรมเลย ทำไมถึงรู้ธรรมะได้ลึกซึ้งเพราะว่าสมเด็จท่านนี้ท่านมีความเชื่อว่าธรรมะเนี่ยต้องอ่านหนังสือแต่ อ, อ่านหนังสือยังไม่รู้ธรรมะเลยแล้วปิดตาเนีจยรู้ธรรมะได้ยังไงท่านพูดนียเปิดอ่านหนังสือยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเลยธรมรมแล้วปิดตาจะรู้ธรรมะได้ยังไงนะแล้วยิย่งเข้าออกเข้าป่าด้วยเนี่ยหลวงปู่ ม, มั่นกล่าวว่าธรรมะมีมีอยู่ทุกหยอศญ้าสําหรับผู้มีปัญญา ธรรมะมีทุกอย่างยาแล้วก็รวมถึงว่าธรรมะมีอยู่ทุกสีก้าวด้วยนะสําหรับผู้มีปัญญาแม่ก็หมายถึงว่าแม้กระทั่งปวดแม่กะทั่งเมื่อยแม่กะทั่งเหนื่อยแม่ก็ทั้งลา้ามันก็สามารถจะเป็นธรรมให้เราได้เพราะฉะนั้นี่ก็อยากจะฝากไว้นะว่าเดินธรรมะยาตายเนี่ยนะแม่มันจะร้อนเหนื่อยเมื่อยปวดนะ จนกระทั่งบางครั้งจิตใจหาความสงบไม่ได้เนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจให้เป็นนะความสงบที่ใจก็เกิดขึ้นได้แม้ว่ากายยังยังร้อนนะขายังปวดตัวยังเหนื่อยเมื่อยก็ตามการปฏิบัติทำไม่ใช่ว่าจะต้องไปปฏิบัติในวัดจะต้องอยู่ในที่ที่สงบ นะอันนั้นก็ดีมีประโยชน์แต่ว่ามันเป็นแค่มการเข้าโรงเรียนหรือการเรียนในห้องเรียนเราไม่สามารถจะเรียนในห้องเรียนได้ตลอดบางที่เราต้องไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องออกไปสู่โลกกว้างไอ้ธรรมยานกรรมก็ไม่ใช่เป็นโลกกว้างนะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเป็นแาบตุกหั์ที่สูงขึ้นไปนะเพื่อให้เราได้เรียนเรื่องใจของเรานะีแล้วก็ รู้ว่าใจของเรามีส่วนทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรและใช้ใจของเราเนี่ยแก้ทุกข์ได้อย่างไร<ม>และนี่ก็คือเป็นการปฏิบัติทำอย่างหึ่งที่เราสามารถจะทำได้ด้วยธรรมยุติการและเป็นการปฏิบัติทำที่เรียนรู้ได้จากความทุกข์<ม>ความร้อนความเหนื่อยความเมื่อยความปวดฉะนัน<ม>อย่าให้มองความทุกข์ในมุมนี้บ้างในทาให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่กับมันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได คำ น, นี้ก็ยุติตอนนี้นะกับร อ, องกัน